3.21 ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนต้องฝึกตัวเองเอาไว้ให้พร้อมวงเล็บเปิด30มิีนาคม2551ันาอเในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดไปเจอพระองค์หนึ่งที่แถวเพชรบูรณ์องค์นี้ท่านเป็นพระแบบรักษาโรคได้ท่านก็บ่นว่าหลังๆคนเป็นมะเร็งเต็มไปหมดเลยทุกอย่างมันเป็นพิษหมดอากาศก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษน้ำก็เป็นพิษ สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยที่สําคัญจิตใจเป็นพิษด้วยถ้าจิตใจเป็นพิษก็หนักหน่อยถ้าจิตใจเศร้าหมองร่างกายก็เศร้าหมองไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจิตใจดีแล้วร่างกายจะไม่ป่วยนะคนระเรื่องกันทีนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเมื่อใดบางคนรู้ปุ๊บปั๊บก็ตายแล้วรู้แล้วอีกเดือนสองเดือนก็ตายแล้วหรือบางคนรู้ปับ๊บตายปั๊บเลยเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแต่ตกใจตายนี่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ฉะนั้นต้องฝึกตัวเองเอาไว้ให้พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้เสียใจทีหลังว่าสิ่งที่ดีๆยังไม่ได้ทํานะต้องสมมุติก่อนว่าเราใกล้จะตายแล้วอะไรที่ดีๆที่เราอยากจะทําเนี่ยรีบไปทําซะมันไม่แน่นะเราสํารวจตัวเองเตรียมความพร้อมเอาไว้อกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญก็เจริญเสียจิตของเรายังไม่ผ่องแพ้วมีกิเลสรุกรานได้เรื่อยๆให้มีสติรู้ทันไป นี่ทำให้มันพร้อมอากุศลก็ละเสียกุศลก็เจริญจิตใจทําให้ผ่องแผวด้วยการมีสติทําอย่างนี้ได้ก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงต่อไปก็จะได้เจอศาสนาพุทธอีกลําพังทําบุญใส่บาตรไปอย่างนี้นะหรือทําสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้มันเป็นบุญธรรมดาธรรมดาบุญที่สําคัญที่สุดคือการเจริญสติเป็นบุญเฉพาะในศาสนาพุทธที่อื่นไม่มีมีก็แบบยักยอกเอาไป เพราะในคําสอนอื่นไม่มีหรอกคําสอนที่อื่นมีแต่เรื่องให้พักดีให้รักพระเจ้าให้พักดีกับพระเจ้าให้รักคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีคําสอนที่ให้รู้ให้รู้ความจริงของกายซึ่งเป็นตัวทุกข์ให้รู้ความจริงของจิตใจซึ่งเป็นตัวทุกข์คาสอนที่ให้รู้ทุกข์นี่ไม่มีที่อื่นมีแต่ให้ละทุกข์ให้หนีทุกข์ฉะนั้นถ้าเราหัดเจริญสติอยู่นี่เราก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงถึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่จิตใจเราก็เป็นชาวพุทธที่แน่นแฟ้น มากกว่าคนทําทานทำบุญอะไรธรรมดาธรรมดาตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวเอาไว้ว่าถ้าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นเคยมีพระองค์หนึ่งท่านเคยภาวนาเคยทําบุญกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อสมัย31มสิบเกัปก่อนเสร็จแล้วก็อธิษฐานเอาไว้นะบอกว่าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นระหว่าง31กสิบัปซึ่งไม่มีศาสนาพุทธมีช่องว่าง30มสิบกัปที่ไม่มีศาสนาพุทธท่านไปอยู่ในพรหมโลก พอมีศาสนาพุทธขึ้นมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเรียนต่อพวกเราอย่าอธิษฐานว่าขอเป็นคนไทยนะอย่าอธิษฐานอย่างนั้นนะคนไทยต่อไปจะนับถืออะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามันนับถืออะไรกันแล้วไม่มีหลักยึดในใจมีแต่เอากรมเป็นสรณะนะทุกวันนี้เอากรมเป็นสรณะนะเอาความสุขเฉพาะหน้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยทุกคนวิ่งแย่งกรรมกันวิ่งหาความสุขเฉพาะหน้าไปวันหนึ่งวันหนึ่ง หาอยู่หากินหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปทางร่างกายจิตใจก็คิดแต่เรื่องกามมัวเมาในกามกามในทางใจเรียกว่ากามมาธรรมฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้มีกามเป็นสาระมีมานเป็นศาสดาฉะนั้นเรากำลังลืมศาสนาที่แท้จริงนะลืมศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่เป็นอิสระที่นี้พอเราลืมตรงนี้ไปนเนี่ยศาสนามันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่แน่ใจอยู่ในมือของพวกเรานี่แหละ ถ้าพวกเรารักษาสืบทอดได้มันก็มีโอกาสอยู่พวกเรารักษาสืบทอดไม่ได้ก็หวังยากนะเพราะคนที่จะศึกษาธรรมะจนกระทั่งจิตสัมผัสถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีนับตัวได้เลยมีหลักพันเท่านั้นเองบางคนก็ลือนะมีพระอริยะเท่านั้นร้อยองค์อยู่ที่นั่นพันองค์โอ้ยเพอ้อฝันนะคนมีสติยังมีแค่หลักพันเลยถ้ายังไม่มีการเจริญสติไม่มีหอกพระอริยะ เพราะฉะนั้นพวกเราเรียนเรื่องการเจริญสติเอาไว้นะต่อไปพอใจเราเข้าถึงธรรมะเราพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเจริญสติสิรู้กายรู้ใจสิรู้ไปเรื่อยๆด้วยความเป็นกลางนะวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะเป็นพระอริยะขึ้นมาเป็นลําดับลําดับไปความทุกข์หางหายไปเรื่อยๆต้องฝึกเอานะ